ลงปู่ขาวลงปูกคาดีหลวงปูแ่แหวนเรานี่ล้วนแล้วแต่เพดน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นจากครั้งปุธการก็เรียกอย่างธรรมด า, รรมดาสบา ย, บายตามความรู้ความเห็นของคนที่มีความหนักแน่นในธรรมอยู่แล้วได้ยินได้ฟังอง ไม่สแสลงใจเหมือนคนมีกิเลสเต็มหัว อ, อกหัวใจเต็มหัวใจว่าพระรหันทุกวันนี้พูดอย่างนั้นไม่ได้ข่าศึกของาศาสนธรรมหรือของธรรมนี้มีมากแม่แต่ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ใชเองในวงผู้นับถือพุทธศาสนาใช่เองก็เป็นข่าศึก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 สิ่งที่ควรถอดถอนถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญได้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เป็นอรหันตบุคคลทรงองท่านเป็นพระรหันได้โดยสมบูรณ์บูวาจารย์ทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นได้อย่างนั้นจริงๆ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 ไม่เพียงแต่ว่าตนไม่ได้รับประโยชน์ยังกลายเป็นโทษแก่ศาสนาธรรมซึ่งเป็นหลักใหญ่ได้อีกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรมรมจึงต้องได้ใช้ความพิจิตพิจารณาและหาถูห า, าจารย์เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นอย่างสําคัญมากทีเดียวในทั้งบุธการทังเรียกภาษาบกสาวบ ก, วกคือต้องได้ยินได้ฟัง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 จะทำให้ลุ่มหลงงมงายนันมันมีอยู่มากภายในจิตใจมีอยู่ทุกขนขัเราเป็นแต่เพียงว่าเอาความคิดความร้นความเดามาพูมาคิดเฉยๆว่าเรามาประพฤติธปฏิบัติทำรรเรามีศีลเรามีธรรมเราไม่บิดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดเราไม่ฉกไม่ลักไม่ฆ่าไม่ทำลาย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 จะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ต้องผ่านเห็นว่าล้มลุกโคตคานคือความตะเกียกตะกายสู้มันไม่ได้ออืเมื่อสู้ไม่ได้ก็ล้มเอคลานไม่มีอะไรสะดวกในเวลาที่มันมีกําลังมากเรามีกําลังน้อยคือกําลังทำภายในใจเรามีน้อยอกําลังของมันที่เป็นฝ่ายบุกรุกเราหรืเป็นข้าสิดต่อเรามีมาก เราจรงต้องหาความสะดวกไม่ได้ตลอดอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนหาความสะดวกไม่ได้เพราะมันมีกำลังมากมันขัดมันขวางอยู่ตลอดแต่ยังไงก็ตามคาว่าวิริยเณดธรรมะเจตินี้เป็นธรรมที่เป็นรากฐานสำคัญมากทีเดียวเราจรึงไม่ควรจะมองข้ามไปจะไม่พ้นจากธรรมบทนี้ คือความภาคยันความอุตสาห์พยายามเอาหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีคำว่าถอยนววิยะานณะคือความภาคความเปลี่ยนความอุตสาห์พยายามความอดความทนนั้นตามกันไปนั่นแหละไปในช่องเดียวกันกับวิญญาะสนะ ต, ติพยายามตั้งเสมอนั่งนั่งไม่ได้เอาพยายามนั่งเดินไม่ได้พยายามเดิน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 ต่อความความเปลี่ยนไปได้ยืนเดินนั่งนอนที่ทำให้เผลอสติทาให้จิตมันถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาก็กจะฉุดลากมาได้หลายครั้งหลายหนเข้าก็อยู่ในเนื้อมือของเราพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนีนี่แหละเหตุที่เราจะทราบเรื่องความลุรุกคุ้งครานของตนทราบด้วยที่เราเป็นผู้สู้เองเป็นผู้ทาเองเป็นผู้ประสบเองและเป็น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 แน่นหนามันคงอยู่ตลอดไปถ้ามีสิ่งที่ก็ไปขัดไปแยง้งเข้าไปทําลายถ้าอยู่เช่นธรรมมันมีคู่ที่จะทาลายได้เช่นอย่างธรรมก็เหมือนกันเมื่อมีสิ่ ง, งนี้ทําลายได้ธรรมก็หาความยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมันเป็นสิ่งที่ทําลายทําได้มันก็เป็นของที่ยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องทําลายกันอยู่เราจึงเรียก ว, วิริยะธรรม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 ไม่มีคิดมีอ่านอะไรเลยแต่ถ้าจะให้เป็นไปตามอัตมธรรมทุกิเลสมันขัดมันแย้งมันหลอกมันลวงว่าพระพุทธเจ้าผลิพนานนานแล้วเจ้าหาอ้อะไรธรรมะท่านสอนไปแล้วองค์ท่านก่อนิพ้ผ่านไปแล้วว่งอางอ้อะไรเนี่ยฟังสิว่งอางอ้อะไรอนะไรแล้วผลิพนานหมดแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วปฏิบัติเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้ะก็ตัวกิเลสมันปฏิบัติเพื่อมรรผลิพานที่ไหนกันเราไม่คิด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 ถึงความได้ความเสียของมันมันเอาความได้อะไรมาให้เราคำว่ากิเลสกิเลสก็คือตัวมานตัวฆ่าสิ่งของรรทำทั้งนั้นเห็ได้จนไปเชื่อมันนั่นนองหนาทำประกาศกลางวันอยู่ตามคำภีรบาลานตามครูตามอาจารย์แล้วสุดท้ายก็มาประกาศกลางวนอยู่ภายในจิตใจของเราเองทําไมเราไม่สนใจไม่ยึดเอาจริงวันนี้มาเป็นหลักเกณของเรานี่เราเสียเปียบกิเลสเราเสียเปียบที่ตรงนี้ชาวพุทธทั้งหลายเราเสียเปียบที่ตรงนี้ถ้าไม่ยังเข้าภาคปฏิบัติซะก่อนจะไม่เห็นเรื่องราวนี้เลย เรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นภาคปฏิบัติในวงปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธธรรมล้วนๆไม่ได้เกิดจากอดีตอ น, นาคตที่ไหนเลยนั้นมีแต่กิเลสมันหลอกไปหลอกไปหลอกไ ป, กไปกกส่วนธรรมไม่ท่าไม่หลอกเอาตร ง, งกลางนี่เลยอยนี่นัปฏิบัติให้ยึดหลักนี้ไว้ให้ดีนี่ที่ว่าเป็นห่วงเป็นห่วงอย่างนี้ห่หมู่เพื่อน าการปฏิบัตินี้ไม่ไมเหมือนอะไรวิธีแก้ตัวเองก็เหมือนกันต้องฝืนกันทั้งนั้นฝืนกระแสคำว่ากระแสคือกระแสของกิเลสไม่ไม่ใช่กระแสของธรรมอยาโสต่าโสต่านั่นนั่นกระแสของธรรมท่านว่าโสดาบันโสดาบันพูดบันพูดถึงกระแสแปแป ล, แปลแว่าถึงกระแสคือกระแสของพรนิพาพานพาตุพงถึงแล้วนะ มันกระแสงกิเลสมันทำลายกระแสของธรรมโดยลำหลนักำดาต้องยิดหลักอันนี้เป็นสำคัญธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาประกาศสอนโลกนี้เป็นธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบโดยลำพังพระองค์เท่านั้นไม่มีครูเมียาจารย์ใดที่สามารถนำธรรมเหล่านี้มาสอนพระองค์ได้เลยพระองค์ทรงค้นเองเห็นเอง การนำทำ อ, ออกจากผลคือความมือฝุดพุทธะเรียบร้อยแล้วนั้นมาสั่งสอนสันโลกเป็นกิริยาอาการออกมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือฝ่ายละฝ่ายมํ่เพนตลอดถึงผลที่ได้รับแสดงไม่บอกบอกไวแสดงไว้เป็นกิริยาอาการแต่และอย่างอย่างยังไม่สำเร็จประโยชน์อันใดสำหรับผู้ผู้ได้ยินได้ฟัง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 เกิดอุบาตต่างๆขึ้นมาในกาจากการได้ยินในฟังคิดอ่านใจตรองหรือนำทำตั้งท่านตีเทศแล้วสอนนัเ้เราได้ยินในฟังแล้วจากท่านไปคิดอ่านใจรตรองพินิษฐ์ปิจณาเานี่ก็เป็นกิณตามยญปัญญาเกิดขึ้นจากการพินิษฐ์ปิจน า, าใจตรองปัญญาทั้งสองนี้ก็กเป็นกิ่งก้านของภาวนามยญปัญญานั่นละภาวนามยญปัญญานั่นแหละ เป็นองค์แห่งปัญญาแท้เบื้องต้นก็ล้มลุกคุกครานสะก่อนดังที้พูดตกี้เมื่อบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปสติก็ดีขึ้นปัญญาก็เริ่มไหวตัวสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแต่ก่อนเคยยินแต่ยินในตำรับตำลาว่าสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคือความมั่นคงของจิตว่าไปว่าไปอันนั้นเป็นชื่อสมาธิสมาธิ ในตำลานั้นเป็นชื่อของสมาธิซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราของท่านผู้ปฏิบัติแต่ยังไม่เกิดเพราะเรายังไม่ได้ทําจะได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อในตํารา่ะก่อนนั่นคือชื่อสมาธิที น, นี้เอาชื่อในสมาธินี่คือความตั้งมั่นเราจะทําอย่างไรให้ตั้งมั่นต้องภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นหนี่วิธีการบอกเช่นกําหนดพุดโทโธพุโทโธหรือคําบริกรมรมคําใดก็ตามยืนอยู่กับคํานั้นคํานั้น มีสติสตั้งตั้งไว้กับคํานั้นๆเป็นคําบริกรรมจิตมีความเชื่อมเข้ามาโดยลําดับลๆจนกลายเป็นความสงบเย็นลงไปอืเนี่ว่าจิตรวมจิตสงบพอสงบหลายครั้งหลายหนก็ไปจิตก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือความตั้งมั่นเป็นฐานของตัวเองมั่นคงขึ้นมานี่จรและที่เราเคยได้ยินได้ฟังและอ่านในตาําราซึ่งมีแต่ชื่อนั้นกลับมาเป็นตัวของตัวขึ้นมา เป็นสมาธิขึ้นมาที่ใจของเราแล้วทีนี้นันี่แหละทางพูดถึงว่า ภ, ภาวนาภาวนามะยปัญญาหรือภาวนามายสมาธิสมาธิสําเร็จขึ้นจากการภาวนาอย่างนี้เนีเรายา ว, ว่าจะภาวนามะยปยัญญาภาวนามะยสมาธิก็เป็นได้คือสมาธิสําเร็จด้วยการภาวนาปัญญาสําเร็จด้วยการภาวนาเนี่ยเวลาแต่ออกตามศัพท์นะ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 นี่คือคิดด้วยอํานาจของกิเลสมันทําให้เกิดความหิีงมวยไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจน ถ, ถึงกับว่าเสียตัวไปด้วยความคิดเป็นบ้าเป็นมรว่าด้ความคิดนถ้าไม่มีสติทําปัญญาธรรมเข้ายับยัง้งเข้าห้ามเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติทําปัญญาธรรมเข้าเป็นองค์สมาธิภาวนาเข้าเป็นองค์ภาวนาแล้วบังคับจิตใจให้อยู่ในคําบริกรรมบนใดบนหนึ่งนี่แหละเป็นการสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างแบบนี้เนยทีนี้พอสร้าง ขึ้นแบบนี้จนปรากฏเป็นความสงบขึ้นที่ใจของตนเองแล้วปัญญาเริ่มพิิจิจารณาเพราะสมาธิคือความอิ่มตัวความอิ่มใจมใจอิ่มตัวใจไม่หิวหว้วโหยคิดโน้นคิดนี้อยากคิดโน้อนอยากคิดนี้เหมือนแต่ก่อนเพราะใจมีธรรมเป็นเครื่องสเสวยมีความสงบเยน็นสบายอยู่ภายในใจิตใจ จักนั้นก็ภาคพิจณาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ธนว่าสมาธิปิภาวิตาปัญญามาปลาโู้ตีม้านิสังซ่าคือสมาธินั่นเป็นบาดเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนที่จะให้เกิดปัญญาได้เร็วผิดธรรมดาของผู้ไม่มีสมาธิเป็นไหนไหนพูดง่ายๆว่ายอย่างนั้นนะครับสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาทําปัญญาให้เกิดขึ้นได้นี่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 นี่ยปัญญาประเภทนี้แหละเป็นปัญญาที่เข้มแข็งเป็นปัญญาที่แน่ใจเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่สนิทใจตายใจของตัวเองโดยลําดับนลำดับ น, ดนี่เรียกว่าสันติโกสันติโกประทับตราลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยนี่ยถ้าสาวกทั้งหลายรู้อย่างนี้รู้ที่แรกรู้ตามอาการที่พระเจ้าทร ง, องสอนเมื่ก่อนยังไม่เห็นด้วยตนเองนีเรียกว่าสาวกโกสาวกโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟัง บ้งนั่นนามาคิดมาไต่ต่อนํามาขุดมาค้นจนกระทั่งเห็นสิ่งต่างๆที่เราขุดค้นลงไปนั้นเช่นเห็นน้ําก็เห็นนะอาจารย์แต่เห็นอัดเห็นทำเห็นอย่างไรบ้างก็เห็นด้วยปัญญาของตัวเองเห็นด้วยปัญญาของตัวเองชัดเจนลงไปชั้นชิวจจนกระทั่งถึงเห็นได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือรู้ได้หมดละได้หมดบรรดาสิ่งที่ควรละบรรดาสิ่งที่ควรรู้รู้ได้หมดด้วยสันธิติโกสันติโกนี่เรียกว่าเป็นสมบัติของเราแท้ๆเช่นเดียวกับผู้ริเจ้า มีธรรมเป็นสมบัติของพระ อ, องค์เป็นศาสตราเอกขึ้นมาจากความมีธรรมเป็นสมบัติของพระ อ, องค์แล้วเราได้ยินได้ฟังหยิบยืมเอาธรรมมาจากปุถิเจ้ามาพูดปฏิบัติแล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมาในตัวของเราเองเห็นประจักษ์ในตัวของเราเองในตัวของเราโดยลดาําดับขั้นดาขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าทําเกิดอธทําเกิดในใจอืปัญญาเกิดที่ใจปัญญาเกิดก็เพื่อทําลายที่เละที่เป็นข้าศึกทั้งหลาย กิเลบันนายไปก็ทําก็เกิดทําแท้ก็เต็มหัวใจของเรานี่รู้ที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้นี่เลยเดียวทาเกิดเกิดที่ใจเกิดจากภาคปฏิบัติเทนี้เป็นสมบัติของเราแท้แล้วไม่เสื่อมไม่สูญไม่อันตร า, านหายไปไหนเมื่อถึงขั้นที่ควรอยู่ยงคงกระพันหรือถึงขั้นที่คงเส้นคงวาแล้วไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่สูญหายไปไหน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 ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปล่อยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยว่าเรารู้เราฉลาดก็ไม่เห็นมีสําคัญว่าเราเหนือคนนั้นเราเหนือคนนี้ก็ไม่เห็นสําคัญอืมว่าเราดีกว่าใครก็ไม่เห็นสำคัญเราเลวกว่าใครก็ไม่เห็นมีความสําคัญภายในตัวเลเพราะฉะนั้นทีงพระพุทธเจ้าหรือพร ะ, าะสราวกว่าจึงเข้าได้กับสัตว์ทุกประเภทอย่างสนิทใ จ, จเพราะไม่ถือมีแต่ความเมตตาสงสารไม่มีใครที่จะรู้ได้อย่างนี้เห็นอย่าง น, างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะนําประกาศสอนโลกให้โลกได้เอื้อมมา้ถึงทําบทนี้ทํททาธรรมชาติอันนี้ มีตรมีความเมตตาสสอนสัตว์โลกนี่แหละเพราะอันนี้เองแล้ว่าเห็นแกอะไรนะนักปฏิบตัติแล้วจะตื่นเรื่องของกิเลสมันหลอกหอให้หนักในธรรมให้สังเกตสังขาเสมอได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพัน์กับเรื่องอะไรอยู่ด้วยกันมีจํานวนมากน้อยเพียงไหนอย่านํากิเลสออกมาค้าขายกันอย่านำมาเตะ ม, มาถีบ ก, กันมาทําลายกันเรื่องของกิเลสไปที่ไหนต้องทําลายนะ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 เคยมืดมาตั้งกับตั้งกันมันจะามาอวดอ้างไม่ได้นะมาเป็นข้อ ย, ยืนยันไม่ได้เปิดไฟจ้าขึ้นทีเดียวเท่านั้นความมืดมันกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความสว่างจ้านั่นอ น, นี้กิเลสมันจะเคยมืดมากี่กับอีกการมันเอาเป็นข้อแค่ตัวไม่ได้ขอให้ปัญญาปริโโปรเถอะวาดลงไปในนั้นมันจะสว่างจ้าไปหมดเลยกิเลสพังตะลายแล้วความมืดมันจะมีที่ไหนบอกกิเลสเท่านั้นพาให้มืดทำท่านไม่ได้พ า, า, าให้มืดนัตถิปัญญาสัมมาอภาปัญญ า, าพาให้มืดเมื่อไหร่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 จะเอาปัญหามาจากไหนไม่มีไม่สมัยเออไม่ถามถามอภินิพานถามทาไมอภินิพานอยู่ตรงไหนไหนถามมันทําไมคนหลงจึงถามไม่หลงถามทําไมพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ทันทีต่ตะโกนตะโกจะเห็นเองจะรู้เองอ๋อปฏิบัติลงไปตามธรรมะขาวคตที่สอนไว้แล้วเนี่ยสวดคาถาทำสวดคาถา ท, ทแต่เราชอบแล้วชอบแล้วแล้วเลื่อยไม่ว่าทําบทใดบาตรใดมีแต่ชอบทัานั้นปฏิบัติให้ชอบนี่เถอะเรื่องอนนี้พานังปรมังสุขังอยู่ที่ไหนมันจะรู้เองในหัวใจเนี่ยไม่เด้นอกเหนือไปจากนี้พูดที่จะรู้อภินิพาน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 พอกล้าเข้าไปพท่านพอเหลือบมองมาปัา๊บท่านขึ้นผางเลยนะไม่ทราบว่าเป็นยังไงอ่าผ้าหายากมาแล้วใช <ฮะ S 2> ่ไหมถงว่าผ้าหายักมาอลไรก็คือหมายความว่าผ้ากาสวาพันธ์เนี่ยสีนี้เป็นสีที่ทําลายกงจับวัตจักรวัตจิตได้โดยไม่ต้องสงสัยผ้าขายขนนี้ อาพระหายากมาแล้วนั่นพูดดติดปากไงไม่ทราบมันเป็นยังไงจะเป็นคงเป็นสะดุดอยู่ในพายในใจของท่านแล้วพระหายากนับมันจะหายากนะท่นวะแล้วนับมันจะหายากก็โดยลําดับลำดับแล้วจนกระทั่งถึงหาไม่เจอนะแล้วไอ้พระหายากนี้นับมันแต่จะง่ายนับมันแต่ง่ายไปไหนมีตั้งแต่พระหาหากง่ายเกินขนาดหน้าอินทร์นอาใจนะะก้าวไม่ระวังไม่ได้นั้นโดนเดี๋ยวพระหายากหายากแล้วหักแข้งหักไปแ้วนั่นว่าง ไอสิ่งที่หายากมีแต่จะหายากไประเดิมดหนันาจนทั้งไม่มีสิ่งที่หาง่ายนับมันแต่จะ ง, ง่ายขึ้นไปโดยลำดับท่านว่าไงท่านพูดท่านพูดไม่ยิ้มไม่ย้อนอะไรนะท่านพูดอย่างขึงขังตึงตังรู้สึกว่าท่านจะมีอะไรบ้ราแล้วก็เป็นคนฟังอนเอาพิจารณานี่เราไม่ได้หมายถึงว่าท่านมายกมายอรเราว่าเป็นผ้าหายากอะไรผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่าผ้ากาสาวะแต่ว่าผ้าย้อมฝาดผ้าย้อมโดยน้ําฝาดแปลออกว่าอย่างนั้นกาสาวะกาสาวพันแล้ว่าผ้ายอมโดยน้ําฝาด เาส่วนมากในงเทพมันก็มกักจะมีนีคณะในวงกรรมฐานที่คลองผ้าขีแก่น์ขนุนเนี่ยขี่าย้อมฝาดท่านก็ถืออันหลักนั้นถืออันนั้นเป็นเหตุท่านพูดท่นพูดท่า น, นไม่ยิ้มนะท่าน พ, พูดพูดอย่างแบบพูดจริงจังเพราะท่านก็เป็นผู้สนใจนทางด้านปฏิบัติองค์หนึ่งเหมือนกันเพราะเราเคยได้คุยกับท่านมาไม่รู้กี่ปีมาแล้วแหละ สนิทสนองกับท่านมานานอุตมะท่านไม่ค่อยจะเล่นกับโลกอะไรนักหนานะพอไปเจอกันนั้นคุยตั้งแต่ธรรมะล้วนๆเส่นเดียวกับสมเด็จเขากับท่านจามมาเจ้คุณธรรมชาติดีวัดปุยสัมพันธ์ซึ่งอู่ดุบิชาเนี่ยนะนี่คุยธราชีตั้างวงก็มีแต่ทำล้วน ๆ, ๆทมล้ว น, น, วนท่านก็เหมือนกันอย่นะมันทําให้สะดุดใจท่านพูดไม่หยุดปากจนไม่ตั้งลาท่านท่านยังพูดแล้วมีวันตอนนั้นมียาย่านโจมอยู่สามสี่คนผู้ชาย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 สติก็คิดจดจ่อไปกับกิเลสต่อเนื่องมากิเลสปัญญาคิดอ่านไปเรื่องของกิเลสไปเสียมันกลายเป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่ปัญญาของธรรมไปเสียนักมันหายากหายากหาที่ไหนเอามาคิดที่พิจารณาที่นักปฏิบัติย้อนกลับมาปฏิบัตินํำมาเพื่อปฏิบัติต่อตัวเองเอามาให้เป็นอุบายแก้ไขตนเองอย่างนี้ท่านพูดอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเพียงผู้หนึ่งผู้ใดไอโอปานายโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมันหายากไหมสิ่งเหล่านี um ้ที่ว่าเนี้ย ศรัทธาเชื่อในอริยธรรมหายากไหมในตัวของเรามันมีไหมศรัทธาจริงๆยงจังนั่นไม่ใช่ศรัทธาเชื่อกิเลสนั่นนั่นหายากตรงนั้นเนี่ยไอ้ศรัทธาที่หาง่ายหาง่ายอย่างเหมือนอย่างว่าภาธที่หาง่ายหาง่ายเรื่อยๆก็คือว่าศรัทธาที่เชื่อกิเลสมันนับมาหาง่ายไปโดนดับ ด, ด, ด่าวิริยะกับเพียนไปทํากิเลสนับมันหาง่ายไปโดนดัด่าความอดความทนสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมมันคิดมันอา่านมันตรองมันจดจ้องไปทางเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเอากิเลสเอาไปใช้หมด มันหาง่ายแต่ละคนละคนมันหาง่ายในตัวของเราแต่ละคนละคนมันหาง่ายในสิ่งนี้นับปัญหาง่ายเดิมดับดับท่าม่รู้สึกตัวในส่วนที่หายายก็โกงกันข้ามอความเชื่อในอนดในธรรมความตะเกียบตะการในอํานธรรมมันหายา่ายหายา่ายหางายแทบจะไม่มีนั่นแหละแยกเข้ามาสิย้อนเข้ามาอาตัวเองอโอปัญญยิโกให้เสียผลเสีเบืไปท่านพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรพิจารว่าอย่างไรนี่พิจารณาว่าอย่างนี้ ให้มันเป็นผลเป็นประโยชน์แก่เราก็ได้ยินได้ฟังมันหาง่ายมันเป็นพระทรงอัดทรงทำรรทรงเหตุทรงผลทรงศีลทรง ส, รร ม, สมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตหลุดพนทรง ม, ม, มรรคผลนิพพานเต็หมหัวใจนี่สิศาสนาธรรมุเจ้าไม่ใช่โมคฆะนี่นะเออเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน ล, ล้นล้วนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งปัจจุบนันนี้เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาเป็นมัชฌิมาแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี่เถิดอย่าไปมัวคํานึงคํำมึงกับเรื่อง กิเลสตัณหาสภาวที่มันหลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปจมอยู่ในเดือนจําห้องหมันตลอดมานั้นมันเกิดประโยชน์อะไรมันหลอกจักเรามีทำเดินนักธรรมะศาสดาของเราไม่ใช่คนโง่คนผู้ปราบกิเลสให้รากภาพไปแล้วทําไมเราจะไม่ยกาศาสดาโอวาทของาศาสดามาปราบของกิเลสทั้งหลายบ้างให้มันลาภไปจากจิตใจของเราเนี่ยอันี้เห็นมั่งที่วัดเป็นยังไงมรรคผลนิพพานเมื่อกิเลสลาดลงไปแล้วเราไม่ต้องถามแลยอนมรรคผลนิพพาน เดี๋ยวนี้มันกิเลสนั่นแหะยี่ย็บเอาไว้มันไม่เห็นเพราะกิเลสพังลงไปแล้วมันทำไมจะไม่เห็นนะอ๋อปุ๊ดนี้ลเลยเลยเหรอรูม้มารู้สึกน่้วผมเอาแน่ไม่ได้หลอกการเทศน์นาการทุกวันนี้ แ, แต่มันจะเป็นไปตามเพลงของถ่ายของขันนั่นแหละให้ เ, เทศสะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนเป็นบรรณาธนการมือเปลื่อยจริงมากเข้ามากเข้ า, าทำไง มันควรขยับขยายเนะี่ยพูดที่จะขจะยยายควรจะขจะยับขยายเนะี่ยมันมากกับมา ก, กสูไม่ไหวนะมากมันเลอะเลอะเลอะ เ, เทอะไปละหาความสงบสงัดก็ไม่ไดนะ้ในป่าในวัดนี้มีถึงเกื่อนไปด้วยผ้าดโดนเย็นหาความสงัดไม่ได้มันก็ไม่เหมาะอนเรื่องที่กลัวอดกลัวอยากกลไม่มีอะไรกบฉันนั้นผมไม่ได้กลัวแหละนั่นคิดดูที่มาสร้างวัดป่ามันต่างนี่ตั้งแต่วันสร้างมันจะสร้างถึงปัจบันนี้ไม่เคยได้ฉันเอาข้าวเปล่าโดยไม่มีกลับเลย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 ก็ไม่เคยขาดจะถีพอจะให้กลัวพอไปอยู่ในป่าในเขามันไม่รู้มันไม่ยอมพูดว่าสิบสิบกผมนี่ไม่รู้พูดเท่าไร่เลยฉันได้เข้าเป่าฉันได้เข้าติดกันไปไม่รู้กี่วันก็เคยแล้วแต่เมื่อเรียบด้วยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพาดําเนินมาแล้วโอ้ยขี้ปฏิวิตรอเลยเล้วพอดีไม่มาคุยอวดทําไมเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านไปเป็นเดือนๆฟังๆว่าท่านไปอยู่บางบางแห่งเป็นเดือนๆฉันได้เข้าเป่างั้นน่ะ ทังนี้ปันอยู่ในปลาล่านมีไม่รู้กี่ข้างกี่คนอย่างนี้จึงจึงจึงไม่กลัวไม่กลัวว่าหมู่เพื่อนจะอดตายแต่กลัวที่ทำจังแห้งผักในหัวใจเองสิคนจะมีด้วยมีก็าตามอาหารนี่ก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่นะขนาดนี้เราเรียกว่าเหลือเผือแล้วนั้นอย่างไม่มีคนเลง ย่งมื้อเชาหรือวันเช้าวานหรือวันไหนอย่างนี้ถาตามปกติของความันเหลือเฟืออยู่ตลอดแล้วมาเมื่อวานกับวันนี้มันน่าจะน้อยแต่ถ้าเทียบไปกับสถานที่ท่านาที่กูบาจาย์พาอยู่แล้วมันเหลือเ ฟ, ฟือน้องผืนนี่คิดดูหลังคาเดือนเจ็ดสิบหลังท้าเน้นตั้ง 45, สี่สิบห้าสิตลาดตะเลไม่มีเขาจะเอาอะไรมาถวายปลาคี่ดูสิจะอดอยากไหมนั่นแต่ข้าวไม่อดแต่กลับมันจะเป็นไงพี่นา ก็อยู่ตามสภาพของบ้านนอกเขาเนี่ยบ้านหนองผืนด้านในนั่นน่ะเขาจะเกี่ยวตะการให้ตามกําลังแต่ความสามารถของเขา ท, ทั้งทั้งี่ตลาดไม่มีเรามาเทียบอยูที่อันนี้มันมาจากตลาดของนี่แั้อยู่ในบ้านนี่มันก็เอามาจากขนาดได้เนี่ยเพราะทางสะดวกนั่นทางสะดวกที่ไหนใครไปเดินไปแทบเป็นแทบตายจากอาเภอพารานนิคมไปตังห้600าร้อยหกร้อยเซนทอันนี้แค่ชิบสี่ชิบห้ากิโล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 ไม่กิดไม่ขวางตนไม่ทะเลาะกับตนและไม่กินไม่ขวางใครไม่ทะเลาะกับใครถ้าครั้งยังทำอยู่ในหัวใจแต่นี่มีแต่ครั้งกิเลสเต็มไปหมดนับหนึ่งก็หนึ่งกิเลสไปเลยสองครั้งไปเลยสามครั้งสี่ครั้งสี่สิบอมก็สี่ิบครั้งกิเลสว่าไงมาบวกกันแล้วมันจะเป็นรุ่งเป็นฉางอันใหญ่โตรุ่งฉางกิเลสมันเป็นรุ่งฉางทำได้ยังไงแล้วทีนี้เอาอะไรมาเป็นสาระนี่น่าคิดไหมเรื่องที่กล่าวมาแล้วนี้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 ยิงไปงานสมนั่นงานสมนี้เข้าไปมันก็ยิ่งคิดแต่ก่อนก็คิดอยู่แล้วยิ่งไปเห็นประจักษ์หูประจักษ์ตาเข้าไปอีกมัดอดคิดอะไรภาษาบ้าๆบอาบาบาเราไม่ได้ละมันจะกินไม่กินก็ตามมั น, มนอดคิดไม่ได้แบบคี้จบกูมาจันใส่หีไว้กับหมักกระดองไว้เหมือนอะันอู้ไม่ถูกเหมืนปลาล่าประจัง ดองไว้ดองไว้ที่นี่เป็นปีเป็นปีเป็นปีเราไม่มันเผามาฝังกันนี่ไ็ดองไว้เอาแต่พินี้เป็นใหญ่ประเพิธีเป็นใหญ่ทำมาแมวมาเป็นใหญ่เลยทำไงศาสดาทั้งองค์ไม่มีความหมายเลยเลยมีแต่เรื่องพิธีเป็นประเพิธีอะไรมันถึงได้ใหญ่โตนักยิ่งกว่าศาสดายิ่งกว่าก้อธรรไปพระพุทธเจ้า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 แล้วจุดท้ายไอ้เราีนเวลาตายนี่มันจะไปเป็นอย่างนี้เรหรอ <c oughs> นีสใสเรามันคน อ, อ, อาภัพวาสนานเราจัดการเราได้มันก็มีปัญหาหน่ยตายกระตู้มเลยตรงไหนรุ่งแนี้ยปไปเลยนี่มาหมักมาดองยุ่งนี่อันหนึ่งมันอดคิดไม่ได้เนี่ยทำาไมมันพุ่นจะเข้าเป็นเครื่องดองอีกแล้ว แม่หายกระเทียมดองไอนั่นนกประเณีของศัตวดามันไม่มีมี่เรื่องประเณีของโลกของโลกตามชอบใจตามสัตใจอดคิดไม่ได้สุดท่ายก็เลยอดพูดไม่ได้วันนี้เลยพอพูดทีนี่พูดเขาถึงตัวเจ้าของเลยอย่ว่าบากว่าไป เรามนีสัยอาภัพวาสนามันไม่ชอบดุ่มชอบอะไรอะไรกับใครเรื่องอะไรอะไรมันสบายมากอยู่สบายไปสบายกินสบายนอนสบายนั่งสบายใชสยสยสย้สบายทุกสิ่งทุกอย่างสบายสบายหมไม่ยุ่งนี่เป็นนิสัยของเราผู้มีวาสนาอาภัพเป็นอย่างนั้นไงมีพระพุทธเจ้ า, าแสดงไว้ในมุลุพนาฏมาจิมานิไก ทั้งตั้งจะวงเป็นศาสดรานะเห็นได้พระองค์จึงว่าอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่มันก็ไม่ดื่มก็ไม่ดื่มอย่างนี้อาอะไรมันติดแปมก็ไม่ดื่มทัม้งูดดูก่นผู้สู่ทั้งหลายเราสากลถ้าไม่อยู่เกื่อนกลนกับผู้กับคนเราอยู่ชั่วระยะเนี่ยฟังดีฟ้าชั่วระยะประชวากิจ อุจารกิจปัจสาวะกรรมเท่านั้นเราก็สบายมากมายเลยนะถ้าเราไม่ได้เกินคนกับผู้คนพระหนึ่งช่วระยะเพียงอุจารปัสสวะเท่านั้นเราก็สบายที่ท่านได้เกี่ยวข้องกับโลกสมความเป็นจัดจ้านั้นก็เพราะความเป็นจัดจ้าของท่านเพราะพระเมตตาสงสารของท่าน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 หือเปลี่ยนพระวจนะออกมาว่ามันไม่มีอะไรรุงเหยิงบุนบายกับเราแล้วเราชั่วระยะอุจจาระปัสสาเท่นั้นเราก็สาบายพิจารณาทั้งหลายในาเยั่นมหาคนนี้มหาโอนทนนี้ว่าไงคิดเอาใจเขาใจเร า, นะาเน่ะพราะทูอัตยมันไปยากลําบากก็ทูไทยไปเพราะคิดถึงใจเข้าใจเราไม่ใช่จะเอาแต่เพาะความสะดวก ข, ของเราอย่างเดียวมาใชา้อืถ้าขันก็อยู่กับโลกก็เป็นโลกเป็นสมมุติ โลกทั้งหลายก็เป็นโลกเป็นสมมุติเขาก็เป็ น, นสมมุตดเราก็เป็นสมมุติในระยะที่เป็ น, นสมมุติอยู่ด้วยกันต้องระวั ง, วงพึ่งกันคนเรานี่เราเวลาโส star, ส, า, า, า, สหหา แ, แาสวงหาครูหาอาจารย์เป็นยังไงเดี่ยจะพูดถึงเรื่องท่าเรื่องเนนก็ดีเราสอดแสวงหาแทบล้มแทบตายแสวงหาครูหาอาจารย์เวลาไปหาท่านแล้วก็กลัวท่านจะไม่รับไม่รองกลัวท่านจะว่าดอะไรท่าอะไรก็ตามที่จะไม่รับเรา yep. เหมือนกับหวัวใจมันจะขาดลงไปต่อหน้าต่อตานะ อันนี้ก็มาเทียบกับหมู่กับเพื่อนที่มาจอดแสดงหาครูหาอาจารย์มาอยู่ด้วยถนะึงพูดอะไรก็ลําบากนิดห่ายคืนมันก็ยากคลายก็ลําบากเพราะความเทียบเหตุผลเหล่านี้ตลอดถึงประชาชนญาติโยมมาจากทางใกล้ทางไกลเราก็คิดหมดเขากับเราหัวใจจอดแสดงหาที่พึ่งหาที่เกาะที่ยึดถ้าใจเป็นใจเป็นเอกใฮ้เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นสองเป็นสามแปปอะไรแล้ว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 อนนมันจึงไม่ลืมท่านพูดอะไรๆก็ถามมันเข้าหมดนั่นพ่อหวังพึ่งว่าง่าหวังพึ่งพิงหวังยึดท่านหวังก็มาเป็นคติทุกอย่างทุกอย่างมันยึด อ, อ, อยู่ตลอดนั่นเหมือนเรารับทานนะ น, นั่นก็หวานอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยอะไรอะไรที่อยู่ในสำรับนั้นมันอร่อยไปหมดทีนี้พอมันอิ่มเต็มที่แล้วมันก็หายอร่อยเองมันอิ่มแล้วจะว่าอะไรมาอร่อยอีกนี่จิตมวลาพอก็เหมือนอย่างนั้น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 ไม่จำเป็นต้องมาบอกอะไรแจ้งอะไรอีกมายถึว่าบ้าไปเดี๋ยวนี้มันก็ บ, บ้าพอแล้วพูดในหมู่เพื่อนฟังขนาด น, นี้ก็ดีใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เท่า น, นั้นสิจะให้ว่าไงผมหมดปัญญาแล้วนะการสอนหมู่สอนเพื่อนผมไม่ได้มาหลบหลอกลวงหมู่เพื่อนสอนทุกสิ่งทุกอย่างถอดออกมาจากหัวใจของทุกอย่างเลยเนี่ในพูดว่าผมไม่สงสยัยการสอนหมู่สอนเพื่อนว่ากลัวจะผิดจะพลาดไปผมไม่สงสยัยมก็เคยพูดมาลูกขี่ไม่ลูกขี่ครั้งขีดคนแล้วนี่ยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มผซ้อมเต็มความสามารถ สอนเต็มตามความมีความเป็นของเจ้าของอย่างไรไม่เคยผิดบางนี้ลับไม่เคยสะทกสะทานในการสอนกลัวว่าจะผิดไปอย่างนี้ไม่มีเข้าใจเนั้น ใ, นใครจะยึดก็ยืดใครจะยืดก็หมดปัญญาผมจะช่วยอะไรยิ่งกว่านี้ไปผมช่วยไม่ได้ผมบอกผมก็คือผมเป็คนเก่านั่นแหละอ <c oughs> ผมเป็นงั่นแล้ ว, ลวพูดกันมะนพอพูดอยู่นั้นแหะพูดธรรมะอย่างอื่นไม่เอาเพราะว่ามันเบือ่อมันก็นเบือเบ่อจริงนะแต่ว่าเบือ่อก ยึดอยู่อย่างกินยิ่คิดไปน้องๆมันไม่เอานะมันแปลกอยู่นะมันเหมือนกับออกกับหลามันดิ่เอียมันกงข้ามม่นก่อนไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นบ้าอยู่งั้นนะที่ว่าไงเนี่ถ้าไม่ได้คิดเดี๋ยวก็ลูกกับเสียงก็ดิ่งก็รดเครื่องสัมผัสอดีตแล้วน้องก็มันมันไม่ได้มันเป็นบ้ามันเลยเรื่องน้องๆแต่มันอยู่นอกมันดิ่งอยู่งั้นไอ้เวลานั้นมันกลับกงข้ามไม่าเราปฏิบัติธรรมเขาทำมาเขาจะมาทัางถึงเอาให้เต็มเหนียวกันเน มึงพลกตัวของมันไปเรื่องอย่างงั้นไม่ได้อีกละ่ะเนี่ยกงข้ามได้ถ้าเรื่องอะไเรื่องทําน้ําหมุนไปไะสบายแนย่อยู่คนเดียวก็เป็นน้ำมันได้สบายลื่นลื่นลื่นลื่นมันลื่นเหมือนกับน้ํามันอะไรน้ํามันหลอลื่นอย่างนั้นเวลาพูดมันก็เป็นอย่างนั้นพอพูดไป้นลื่นไปละเรื่อง